การรักษาคุณภาพจิตโดยวิธีทำสมาธิภาวนาขออวยพรญาติโยมทุกคนเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้คือการรักษาคุณภาพจิตโดยวิธีทำสมาธิภาวนามนุษย์ทุกคนรวมทุกตัวเราเองประกอบด้วยร่างกายและจิตใจทุกวันนี้คนส่วนมาก เ้าใจใส่เฉพาะการระวังรักษากายมีวิธีการออกกำลังกายหลายแบบเช่นการเดินการวิ่งระมวยจีนโยคะกายบริหารและแอโรบิกด้านเป็นต้นในกรุงเทพยามเช้าตามสวนสาธารณะบางแห่งเราจะเห็นคนออกกำลังกายกันมากบางคนพิสดารไปกว่านั้น เมื่อออกกําลังกายแล้วก็บำรุงด้วยอาหารแปลกๆซึ่งอ้างว่าทําให้มีสุขภาพดีอายุยืนรวมความว่าพวกเราสนมากเป็นห่วงกังวลกันอยู่กับการบํารุงรักษาร่างกายเท่านั้นแต่ลืมเรื่องจะระวังรักษาจิตใจและลืมด้วยว่าคนเรานั้นมีจิตใจและจิตใจนั้นต้องการการระวังรักษาให้ถูกต้องด้วยเหมือนกัน คนที่มีสุขภาพจิตเสียนั้นสังเกตได้ไม่ยากตื่นเช้าขึ้นมาจะรู้สึกใจคองหงุดหงิดบางครั้งก็โกรธโดยไม่มีเหตุผลเห็นหน้าคนในครอบครัวซึ่งเป็นที่รักกลับโกรธบางคนก็เป็นมากเห็นอะไรขวางหน้าเป็นไม่พอใจทั้งนั้นแม้จะเห็นนกบินในอากาศก็ยังโกรธคนที่มีสุขภาพจิตเสียเหล่านี้ เป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายเรียกว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่ค่อยมีเหตุมีผลไม่ค่อยยอมรับความเป็นจริงในชีวิตคนที่มีสุขภาพจิตเสียนอกจากตัวของตัวเองจะมีความรู้สึกไม่สบายแล้วส่วนมากจะทำให้ผู้อยู่ใกล้เคียงเดือดร้อนตามไปด้วยเราจะได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดปกติของพวกที่มีสุขภาพจิตเสียมากมาย คุณเหล่านี้เราจะพบเห็นทั่วไปในชีวิตประจาวันอาจจะเป็นนายจ้างเพื่อนร่วม ง, งานลูกน้องหรือญาติพี่น้องของเราก็ได้แม้แต่ตัวของเราเองถ้าปล่อยประละเลยไม่ระวังรักษาสุขภาพจิตบางครั้งอยู่ในเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเป็นเวลานานสุขภาพจิตก็เสียได้สังคมทุกวันนี้พัฒนาไปในทางวัตถุอย่างรวดเร็วมาก ทุกทิ้งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความต้องการในด้า น, านวาัตถุมีมากขึ้นการแข่งขันในชีวิตประจําวันรุนแรงขึ้นความเครียดของจิตมีมากขึ้นฉะนั้นสุขภาพจิตของคนทุกวันนี้จึงเสื่อมซามลงเป็นอันมากและอาการวิกฤตทางจิตนี้สามารถติดต่อหรือส่งผลกระทบไปยังบุคคลที่อยู่ข้างเคียงอย่างง่ายได้มีโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายหลายอย่าง ที่มีสาเหตุมาจากอาการทางจิตที่ไม่ปกติซึ่งทางแพทย์เรียกว่าไซโคโซมัตติดิซิสเช่นปวดหัวโรคกระเพาะโรคความดันเลืดสูงโรคหัวใจโรคประสาทต้นฉะนั้นจึงมีความจำเป็นสำหรับทุกคนที่จะต้องระวังรักษาสุขภาพจิตของตนให้ดีการทําสมาธิภาวนา เป็นวิธีการรักษาสุขภาพจิตได้อย่างดีการทําสมาธิมีหลายแบบหลายวิธีแต่และวิธีมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายแตกต่างกันบางวิธีเหมาะสําหรับพักจิตเท่านั้นบางวิธีเหมาะสําหรับให้เกิดอิทธิฤทธิ์แต่และแบบล้วนแต่มีผลข้างเคียงคือไซเอฟเฟกต์ที่เป็นอันตรายหลายอย่างเช่นการทําสมาธิที่ใช้คําบริกรรมอย่างเดียวสมาธิอย่างนี้เหมาะสําหรับพักจิตอย่างเดียว ทำง่ายและในขณะที่ทำจิตจะมีความสบายแต่ถ้าทำมากเกินไปจะมีไซส์การพักผ่อนนอนหลับเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อร่างกายก็จริงอยู่แต่ถ้าเราเอาแต่พักผ่อนนอนหลับอยู่ตลอดเวลาหรือมากเกินกว่าปกติร่างกายของเราจะอ่อนแอลงระบบการต่อต้านภัยของร่างกายคืออิมมูนซิสเต็มจะอ่อนแอลงไปโรคภัยกเจ็บจะทาอันตรายต่อเราได้ไง จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราเอาแต่พักจิตมากเกินไปเราจะรู้สึกสบายในเวลาทํำสมาธิแต่เมื่อเราออกไปอยู่กับโลกเราจะรู้สึกไม่สบายบุดคิดผิดตุกติที่เป็นเช่นนี้เปรียบเหมือนเราอยู่ในห้องประบอากาศเป็นประจําจนเคยชินเมื่อเราอยู่ในห้องจะรู้สึกสบายแต่เมื่อเราออกจากห้องเราจะรู้สึกไม่สบายแล้วก็เจ็บไข้ได้ปเองง่ายกว่าปกติ เพราะอากาศขางนอกเป็นอากาศธรรมชาติบางครั้งก็ร้อนจัดหนาวจัดมีฝนมีลมมีแดดมีฝุ่นเป็นธรรมดาแต่ร่างกายของเราไม่เคยชินจึงไม่สบายหรือจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายเรื่องราวในชีวิตประจำวันหรือเรื่องของโรคก็เช่นเดียวกันโดยปกติตามธรรมชาติก็เต็มไปด้วยกิเลสโลภโกรธหลง มีอารมณ์ภายนอกที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างมากระทบจิตของเราตลอดเวลาแต่ถ้าสุขภาพจิตของเราดีระบบการควบคุมจิตของเราดีแล้วเราก็สามารถทนได้เห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าสุขภาพจิตของเราไม่ดีเราจะไปโทษโลกโทษสังคมหรือไปโทษผูอื่นว่าไม่ดีอย่างโ น, น้นว่าไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นเหตุทําให้เราไม่สบาย าอาการนี้มีมากจะุนหุดหงิดผิดปกติแล้วหลบตัวจากสังคมพ น, นามสังคมแบามิติคนเลวฤศีจะต้องตอกตัวออกจากสังคมไปอยู่ในที่โดดเดี่ยวแต่พระสุในพุทธศาสนาต้องอยู่กับสังคมต้องขอประชัยศีมีอาหารเป็นต้นจากสังคมการภาวนาแบบฟังเทปใช้เสียงเป็นเครื่องขอของจิตก็อยู่ในประเภทพักจิตเหมือนกัน ทำในน้อยไม่เป็นไรแต่ถ้าทำมากเกินไปวันละหลายหลายชั่วโมงจะเกิดอาการเช่นนี้เหมือนกันยกเว้นการฟังเทศแบบพิจารณาเนื้อความเป็นปัญญาส่วนการทำาอาธิภโวนาบางระบบที่ทำให้เกิดอิทธิฤทธินั้นไซต์เอฟเฟคต์มีมากทำให้เกิดหลงผิดวิปลาสเอเวอร์ชได้ง่ายบางครั้งกับมีเกเมากกว่าปกติ ตอนที่เราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจะต้องมีจุดหมายที่แน่นอนก่อนแล้วจึงเลือกวิธีการภาวนาให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์นั้นไม่ฉะนั้นเราจะได้รับความลำบากเกิดปัญหาต่างๆมากคล้ายกับว่าเราต้องการจะไปเชียงใหม่ถ้าขึ้นรถผิดไปสงขลากว่าจะรู้ตัวแก้ไขได้ก็ลำบากมากนักกิจตัทุาสมัยใหม่ ในทำการทดลองวิธีการภาวนาหลายวิธีทั้งของพุทธและของฮินดูปรากฏว่าวิธีการที่ดีที่สุดที่ทําให้สุขภาพจิตดีคือการกําหนดลมหายใจหรืออนาปานสัติการทําสมาธิภาวนาโดยวิธีกําหนดลมหายใจมีข้อดีคือจิตจะได้พักผ่อนพอสมควรและเป็นระบบที่ฝึกการควบคุมจิตได้เป็นอยา่างดีจิตของเรานอกจากจะต้องการพักผ่อนแล้วยังต้องมีการฝึกให้อยู่ในควบคุมด้วย เพราะมีอารมณ์ภายนอกมากระทบทั้งที่พอใจและไม่พอใจแล้วสามารถจะควบคุมจิตของเราให้เป็นปกติได้ทำไมเราจึงต้องออกกำลังกายเช่นวิ่งหรือเดินก็เพราะว่าเราต้องการให้ร่างกายของเรามีสุขภาพดีสามารถต้านทานโรคภัยขัดจ็บเปยดีในขณะที่ออกกำลังกายเช่นวิ่งเราจะรู้สึกเหนื่อยบางครั้งเราต้องบังคับตัวเองให้วิ่งต่อไปแต่ผลที่ได้รับก็คือ เราจะมีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีจิตใจก็เช่นเดียวกันนอกจากการพักผ่อนแล้วเราจะต้องฝึกการควบคุมตัวเองด้วยในขณะที่เราต้องการควบคุมตัวเองขณะที่นั่งทำสมาธิภาวนาในบางครั้งเราจะรู้สึกเหนื่อยแต่ผลที่ได้คือเราจะมีสุขภาพจิตดีสามารถจะเผจิญโลกในชีวิตประจำวันได้อย่างดี ลักษณะของผู้มีสุขภาพจิต ด, ดีการระย่อก็คือนับตั้งแต่ตื่นนอนเราจะรู้สึกว่ามีความสุขมองธรรมชาติและบุคคลโดยรอบในแง่ดีมีความคิดสร้างสรรค์พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับอุปสรรคและช่วยเหลือผู้อื่นสามารถที่จะทำงานด้วยจิตที่มีสมรรถภาพสูงข้อสำคัญเกี่ยวกับการทาสมาธิภาวนาก็คือต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกวันเช่นเดียวกับการออกกาลังกาย เช้าเย็นก่อนอาหารครั้งละประมาณสามสิบนาทีหรืออย่างน้อยที่สุดวันละสามสิบนาทีาหากนานๆทำครั้งจะไม่ได้ผลตามต้องการการทำสมาธิภาวนาโดยวิธีกาหนดลมหายใจนี้เป็นระบบควบคุมจิตทำมากก็ไม่เป็นอันตรายนอกจากบางครั้งจะเหนื่อยมากหน่อยต่อไปนี้เป็นแบบฝึกหัดเแบบื้องต้นของการทำภาวนาแบบกหนดลมหายใจ นิขางขาขาขวาถับขว า, ายางนิ้วข้างมือมือขวาถับมือซ้ า, ายติ้งกายท่หลังที่สัมปัดกับพื้นนึ้วกรรไกรมาทั้งท่ํากลางเหงาถึงคอถึงหัวถึงบริเวณใบหน้าถึงบริเวณปลายช่องจมูกสมมุติว่าลมหายใจเข้าให้จะออกผ่านบริเวณปลายช่องจมูก ให้ใจเข้านึกพุทธให้ใจออกนึกโทเมื่อให้ใจเข้าไม่ต้องนึกตามเราให้ใจเข้าเมื่อให้ใจออกไม่ต้องนึกตามเราให้ใจออกนึกอยู่ที่บริเวณปลายช่องจมูกแข่งเดียวพยายามประคองจิตอย่าให้ฟุ้งซ่านอย่าให้เคลิ้มหลับให้ยุคลมให้ใจเข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้าพุทออกโธทำไป